หมดเงินไม่หมดใจในที่สุดใจที่ไม่หมดนั้นก็หาทางเพิ่มเงินขึ้นมาในทางที่ถูกที่ชอบได้อารมณ์ซึมเศร้าทำให้รู้สึกหมดตัวได้ยิ่งกว่าล้มละลายไม่เหลือเงินติดกระเป๋าบางทีคำถามช่วงวิกฤตต้องการคำตอบสำคัญแค่นั้นทำใจอย่างไรถึงจะผ่านนาทีนั้นไปได้ นาทีเดียวที่ผ่านได้หรือไม่ได้ตัดสินเลยว่าจะได้เห็นหรือไม่เห็นสิ่งที่นึกไม่ถึงเกี่ยวกับชีวิตตนเพื่อไม่ต้องเป็นผู้ล้มละลายทางอารมณ์เบื้องต้นแค่สังเกตและจดจําไว้ง่ายๆอารมณ์ไหนช่วยให้ตัวเบาใจเบาอารมณ์นั้นเรียกว่ากําไรอารมณ์ไหนกดให้ตัวหนักใจหนัก อารมณ์นั้นเรียกว่าขาดทุนอารมณ์ไหนตรึงให้ติดค้างคาใจอารมณ์นั้นคือหนี้อารมณ์ไหนแก่ให้หลุดจากอาการติดค้างอารมณ์นั้นคือการปลดหนี้แค่นั้นหละคุณรอพบกับความมหัศจรรย์ได้เลยแค่สองสามวันที่เรียกชื่ออารมณ์หนึ่งๆได้ถูก ณขณะที่มันปรากฏจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นในชีวิตนั่นคือความมั่งคัง่งทางอารมณ์สุขชนิดที่ไม่มีภาวะเศรษฐกิจใดๆมากดขี่ให้รู้สึกยากจนค้นแค้นได้ซึ่งเหตุผลก็เพราะสติรู้อารมณ์ทั้งปวงจะมาเป็นในายใหญ่แทนโมหะหลงอารมณ์ทั้งปวงถึงจุดนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนคิดได้แบบที่ไม่เคยคิดได้ เช่นทำไมต้องห่วงนี้ทางใจก้อนนี้ไว้ด้วยแค่ทิ้งแค่เลิกแบกแค่ปล่อยมันไว้ข้างหลังโลกก็โลง่งใจก็ว่างห่างจากอารมณ์หมดตัวล้มละลายออกมาไกลแล้วตรงข้ามหากยังจมจ่อมหลงยึดหลงห่วงอารมณ์ขาดทุนไว้ไม่เลิกต่อให้มีทรัพย์สินสรึงคารานตะไทยหลายคนก็อยากฆ่าตัวตายหายพิจากโลกนี้กันได้แล้ว หากปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อให้ใจใสชำแรกโมหะเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆจนเข้าถึงความรู้สึกจริงๆว่าธรรมะอันเป็นแก่นที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมีความสว่างกระจ่างออกมาจากกลางใจแผ่กว้างออกเป็นครอบแก้วชีวิตได้อย่างไรเมื่อนั้นคุณจะหายสงสัยว่าเหตุดใดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะ ยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะแม้บาปเก่าจะส่งผลให้ต้องอับจนเป็นพลังข้างมืดพยายามกระชากจุดลงต่ำแต่บุญใหม่คือการรักษาศีลจเจริญสติจะเป็นพลังข้างสว่างที่เหนียวรั้งไว้ถึงตกก็ไม่ตกจริงหมดเงินไม่หมดใจในที่สุดใจที่ไม่หมดนั้นก็หาทางเพิ่มเงินขึ้นมาในทางที่ถูกที่ชอบได้ หรือแม้เจอกำแพงขวางแปดทิศใจหาทางออกไม่ได้จริงๆก็เหมือนกำแพงบางทิศเปิดอ้าให้เองราวกับมีใครจงใจช่วยเหลืออยู่ลับๆเข้าตาจนแต่ไม่จนใจไม่เลือกทำอะไรผิดๆแปลว่าจิตถูกจิตที่ถูกจะพาคุณไปเจอวิธีผ่าทางตันที่ถูกต้องไปเอง